ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอกาพเพื่อนสามีคุณท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนอะก็นั่งสบายๆเนอะวันพระไม่ได้มีคนเดียวนะแต่ก็มีหลายคนก็คือแปดวันก็ได้พบกันครั้งหนึ่งนะวันวันพระนี่ในสมัยโบราณเนะก็ถือว่าเป็นวันที่เขาดูพระจันทร์เป็นหลักเนอะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยจะไม่มีปฏิทินเนอะ อาศัยว่าดูพระจันทร์ก็เรียกว่าจันทร์าราตินะคือพระจันทร์เต็มดวงนะวันเพ็ญก็ถือเป็นวันพระใหญ่แล้วก็พระจันทร์จะเหลือครึ่งดวงนะก็เป็นวันพระเล็กนะแล้วก็มาพระจันทร์หมดดวงคือไม่เห็นพระจันทร์ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่เหมือนกันพระพระก็ลงปริโมกในช่วงนั้นเนาะก็คือแนวก็เลย มีเดือนละสี่ครั้งนะพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พระจันทร์เหลือครึ่งดวงสองครั้งแล้วก็พระจันทร์หมดดวงครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นวันวันพระเนะี่ยอย่างในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนั้นก็วันพระสมัยใหม่ๆก็พระก็ไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้รวมกันนะตอนหลังพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนะมาคือไปเห็นรัฐที่อื่นว่ามีเขาจะมารวมกันในวันพระเนะี่ย มาฟังทำมาปฏิบัติธรรมอะไรทั้งหลายนนะั้ก็เลยไปขอพระว่าวันวันพระก็ให้พระมารวมกันสักครั้งหนึ่งนะไม่งั้นพระก็ต่างคนต่างปฏิบัติธรรมกันพระพุท <c> ธ <oughs> เจ้าก็ก็เห็นดีด้วยก็เลยให้พระมารวมกันนะในวันพระแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงธรรมอะไรก็มานั่งเฉยเฉยเงียบๆนะนะต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงธรรมในวันพรนะนาะ แล้วก็หลังนั้นก็จะมีการอสแสดงปาฏิโมกต่างๆวันพระด้วยก็เป็นประเพณีสืบกันมาอะจนทุกวันนี้เนาะตอนนั้นก็วันวันพระแล้วก็สมัยก่อนนี่นก็เหมือนกับพระท่านก็อ่จะอยู่ปฏิบัติธรรมกัน เ, กเงียบๆนะพระองค์ก็เหมือนกับคล้ายๆเอ่เก็บปารมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกมาบิณฑบาตก็คือจะปฏิบัติธรรมยาวๆไปเลยบางบางทีก็เจ็วันค่อยออกมาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่ง ก็คือวันพระนั่นเองเนาะอันนี้ก็เลยนะก็ก็เหมือนกับวันพระก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันในยุคนั้นที่จะมีการทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนาะแต่วันนี้พระใหญ่ของพระก็มีปริโมกกันปฏิโมกก็คือวันวันวันที่พระจันทร์เต็มดวงและวันที่เราไม่เห็นพระจันทร์นั่นเองก็คือสิบห้าวันครั้งหนึ่งครั้นี้ยังยังสายวัดป่าธรรมยุทธนะเขาจะ อย่างเมื่อวานนี้เป็นวันโกนก็จะเป็นวันวันโกนแล้วเป็นวันซักผ้าด้วยก็คือเป็นวันวันที่วันที่คล้ายๆเป็นวันที่ยุ่งของเขาก็คือเป็นวันซักผ้าซึ่งของสายธรรมยุทธนั้นไม่ใช่ซักง่ายๆเนาะะจะต้องหากันขนุนมาแล้วก็มานั่งสับกันขนุนมาต้มน้ํำต้มน้ําแล้วก็อืใช้กันขนุนลงไปะแล้วก็ซักกัน ซักเสร็จแล้วก็ไม่ได้ซักครั้งเดียวแล้วก็มาไปตากพอแห้งเสร็จแล้วก็มาซักใหม่เนี่ยซักบางทีต้องหลายๆครั้งนะกว่าจะซักตะครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนาะแล้วก็โกนในวันนั้นด้วยเนาะอันนั้นก็จะถือว่าอ่าสิบห้าวันนะค่อยซักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ซักอยู่ประจําเนาะอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะต่างกันเนาะแล้วก็ของเราของเราก็คือเราก็ มีโอ ก, กาสปฏิบัติธรรมกันได้ไม่ยุ่งยากมากขนาดนั้นเนาะเราก็สามารถที่ได้นะปฏิบัติธรรมก็ได้ทุกวันอยู่แล้วนะในช่วงแต่ละวันนะให้ผ่านไปนะด้วยความรู้สึกตัวนะด้วยความที่เรียกว่าเรากลับมาเห็นเห็นกายเห็นใจเขาทำงานเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนาะเราเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆใช่ บางคนอยู่แล้วรู้สึกมีความลำบากมีความทุกข์ทรมานต่างๆก็บางคนก็ไปคิดถึงอนาคตว่ามันทุกข์ทรมานมากนะหรือทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆหรืออนาคตมันจะท ร, รมานขนาดไหนนะตรงนี้มันจะเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นนะคราวนี้ถ้าเราสามารถที่จะอยู่แบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะก็อยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่แล้วก็ลำบากท ร, รมานหรืออะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ ก็คืออยู่ไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ไปคิดอะไรเยอะแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้นะมันก็หาทางเปลี่ยนแปลงหาทางอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราออกจากความทุกข์นั้นเนาะตรงเนี้ยเราก็จะต้องออกจากความทุกข์จริงๆไม่ได้หรอกเนาะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันนะไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะนะอยู่ไปวันๆหนึ่งแล้วก็ไปปฏิธรรมไปเนี่ยมันอยู่ได้เรื่อยๆสบายเนาะเพราะนั้นส่วนหนึ่งบางทีนะ มันจะมีการดิน้นรนนะก็คืออย่างพระวัดเราเนะี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในวัดต่างๆเ น, นี่ยก็จะดิน้นรนนะดิน้นรนไปอ่าอาจจะสแสวงหาครูบาอาจารย์บ้างอ่ไปหาทางไปที่อื่นบ้างนะหรือว่าคิดว่าไปที่อื่นแล้วจะดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะจริงๆแล้วถ้าถ้าเราได้หลักแล้วเราก็จะไม่ได้คิดแบบนั้นจังมั้งการไปหาสแสวงครูบาอาจารย์ถ้าเราไปพบครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมในแนวอื่น อที่ไม่ใช่แนวของเราเหมือนก็เราก็ต้องไปตั้งต้นใหม่เหมือนกับต้องไปเริ่มก่อไก่ขอไข่ใหม่เราก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกับทุกแห่งะแม้แต่ในสายเดียวกันก็ไม่เหมือนกับทุกแห่งเนาะมันก็จิตมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆก็คือต้องไปดิ้นรนต้องไปแสวงหาอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราเราได้หลักแล้วได้หลักครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนเลยเราก็สามารถอยู่ของเราได้มา เอาหลักนั้นมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆมันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนะแล้วก็บางคนก็คิดว่าจะไปเที่ยวทุดงหรือไปอะไรนะทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีที่ให้ทุดงแล้วมันมันเกือบจะหมดแล้วล่นะใช่ไหมสมัยอาตมาไปเที่ยวตอนนั้นก็เป็นสิบกว่าปีมาแล้วนะสิบกว่าปีมาแล้วตอนนั้นก็ยังพอมีที่อยู่นะมันบางทีขึ้นเขาขึ้นอะไรก็ยังเป็นป่าเป็นอะไรกันเยอะอยู่เวลาเดินไปมันก็ยัง มันก็คล้ายๆว่ามีสภาพเป็นป่าอยู่เยอะเนาะแล้วมันก็ได้บรรยากาศแล้วก็ได้มีความลําบากนพอสมควรเแต่สมัยนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบสมัยก่อนแล้วนะมันก็หาที่ที่จะทุดงจริงๆในยากเแล้วมันก็ไม่ค่อยที่จะสงบเงียบเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าบางทีมันมันกลายเป็นไม่ใช่อเข้าสู่บรรยากาศแบบสมัยก่อนเนาะ ก็ต้องกลับมารู้เท่าทันกินเลสในใจเราเนี่ยดีที่สุดนะจิตอยากไปไหนรู้ว่าเขาอยากไปเนี่ยมันมันก็รู้ทันมันก็ไม่ไปนะจิตอยากจะไปซื้ออะไรนะรู้ทันว่าอยากจะซื้อมันก็มันก็ไม่ซื้อเองนะเพราะจิตนี่มันสำคัญเราต้องรู้ทันเขาบ่อยนะจิตเ็าจะหลอกเราอยู่เรื่อยๆ <c oughs> หลอกเราให้นะ ท, ำทำนู่นทำนี่นะให้ซื้อนูน่นซื้อนี่ ให้ไปนู่นไปนี่ให้อยากกินนู่นกินนี่เนาะนะครั้นี้ถ้าเราไหลาตามจิตทุกครั้งเราก็จะไม่เห็นความอยากเนาะครั้งนี้นะ <c oughs> มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะอยากได้นะอยากนูน่นอยากนี่อันนี้คือเรื่องของจิตใจแต่ว่าเราสังเกตเขาได้นะนะเขาก็จะเบาลงนะจิตเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าเราสังเกตก็ได้ไหมนะ ไม่ได้ในความคิดนะมันมีความคิดมันมีความคิดทุกคนนั่นแหละนะครั้งนี้มีความคิดปุ๊บนะพอเรากลับมาเห็นความคิดปุ๊บเขาก็ดับเลยนะเขาดับเลยนะแต่เขาไม่ดับเนี่ยเราสังเกตเข้าใหม่เขาก็ดับได้นะนะสังเกตเขาเขาก็ดับได้นะมันมันจะไม่ไม่ต่อยอดกันแบบสมัยก่อนเนาะเพราะฉนั้นความอยากหรือว่าลมทั้งหลายแหล <c oughs> อือยากอยากอย่างนู้นอยากอย่างนี้น่นนะคือความอยากนี่เป็นโลภะนะ โลภะเนี่ยเราเราเราแค่ดูความอยากเท่านั้นเองนะอเขาก็จะเบาเบครขึ้นนึงแล้วนะเขายังอยากต่อก็ดูดูไปหน่อยเขาก็เบาลงนะในสุดเขาก็ค่อยๆหายไป น, ะนอกจากว่าความอยากได้เป็นความจําเป็นจริงๆนะมันก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะทําตามความอยากไดนะ้แต่เราก็รู้ว่าเออเราทําเพื่อเหตุอะไรนะทําเพื่อโลภะหรือว่าทําเพื่อความจําเป็นนะอารมณ์อะไรทั้งหลายแหล่ก็เหมือนกันนะมันก็มีปรากฏอยู่เรื่อยๆนะ แล้วก็ห้ามมารมไม่ได้นะแต่ในระดับนักปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่รุนแรงแบบสมัยก่อนแล้วนะไม่ว่ารุนแรงมีความโกรธแรงมีความชอบใจแรงแรงมันมันไม่เป็นนะมันก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยมีเป็นกระสายกระสายบ้างเท่านั้นเองนะแล้วก็แค่สังเกตดูเขาความไม่พอใจเก็สังเกตดูนะพอเราสังเกตปุ๊บเขาก็เบาลงนะหรือหายไปเลยนะนะถ้าเราสังเกตนะเขาก็หายไปเลยนะ เขาไม่หายแล้วก็สังเกตดูใหม่เขาก็หายไปเลยนะอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ยากนะเพราะว่าจริงๆเราเราผ่านความรู้สึกตัวมาเยอะแล้วนะความรู้สึกตัวก็คือกลับมารู้เนรู้ตัวได้ไบ่อยนะจากเมื่อก่อนนี้เราก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวที่ว่าให้เขากลับมารู้เนรู้ตัวได้ในชะ่ไหมแต่พอตอนหลังถ้าจิตใจมีกําลังแล้วก็แค่สังเกตใจนิดนึงเขาก็เขก็ไปแล้วนะเขาก็ไม่อยู่นะตรงนี้เราก็ ก็เห็นพระไตรลักษ์ได้ชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเข้ามาแล้วก็ไปเขาไม่ได้อยู่กับเราอนานๆนะก็แสดงาการที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแสดงาการที่ว่าไม่ใช่ตัวเมตรตนของเราเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะถ้าเราบังคับก็ได้ก็ต้องนะเป็นแต่ที่เราต้องการนะอต้องไม่คิดนะต้องไม่รักไม่โกรธไม่หลงนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่เขา เขาเกิดขึ้นมาเองตามเหตุตามปัจจัยนะสภาวะที่เกิดมาเองคือตากระทบรูปมันก็มีความยินดียินไล่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเป็นไปตามที่อปฏิจะสมุปบาทนะเขาก็แสดงสภาวะธรรมของเขาเท่านั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุเป็นเช่นนี้นะก็มีปัจจัยเป็นเช่นนี้นะตามเหตุตามปัจจัยเขาเรียก ว, ว่าปฏิจจสมุปบาทนะก็เป็นการที่เขาแสดงอ่าสภาวะธรรมของเขาเท่านั้นเองเพียงแต่เราก็รู้ทันแล้วเราก็ ก็แค่เป็นผู้ดูเท่านั้นนะไม่ต้องว่าต้องหมดไปต้องไปอยู่กับเขาเราก็แค่สังเกตเท่านั้นเองนะคือการสังเกตไม่ใช่ว่าให้เ็หมดไปนะบางทีเราอย่างที่เมื่อกี้ว่าเออมันดูนะไม่ใช่ว่าดูให้ก็หมดไปแต่เป็นแค่เราก็ดูเขาเฉยๆเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราอยากหมดไปนะแหะมันก็จะไม่หมดมันก็ไปต่อยอดเองเป็นความโลภขึ้นมามันก็ไม่หมดง่ายๆนะ ก็สังเกตแบบแค่เป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูทุกๆอย่างผู้ดูผู้รู้เนี่ยหะมันสาคัญท asse, ี่หลวงพ่อกำเขียนพูดเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้มันเป็นหลัก ข, ของการบิดธรรมที่สำคัญเลย응เราเราแค่สังเกตเราไม่ได้แบลอะไรเข้าเราแค่ดูเล่นๆดูเฉยๆดูแบบดูละครดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเนาะถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นเรียกว่า เป็นผู้ที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นได้ใช่ไหมจิตตั้งมั่นคือเป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองก็เห็นอารมณ์ต่างๆเขาเกิดแล้วก็ดับไปของเขาเองไม่ใช่ของเราตรงนี้มันมันจะจริงๆแล้วไอ้จิตตั้งมั่นมันมันไม่ยากนะแค่เราเห็นว่าความคิดเขาเกิดขึ้นเราเห็นความคิดแล้วเขาดับไปะจิตก็มีการจะตั้งมั่นได้ได้เร็วแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่ว่า เมื่อรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นเลยนะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราแค่รู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นเลยการที่เขาตั้งมั่นบ่อยๆนั่นแหละมันมันเป็นกําลังสําคัญในการดูการรู้นะมันก็จะมันก็เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะจิตมันก็ไม่ไม่ค่อยไหลมันจะรู้อยู่อยู่เป็นประจําในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยการบังคับจิตอต้องต้องอยู่นิ่งๆอ่ต้องคอยรู้ทัน ต้องไม่คิดไปไหนนะมันเป็นไ ป, นปนธรรมชาติของจิตที่ว่ามันตั้งมั่นแล้วมันไม่ต้องไม่ไปบังคับอะไรเขาเขาก็รู้เขาได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดทุกครั้งนะหรือว่าต้องเป็นทุกครั้งก็ไม่จําเป็นนะนนั้นก็เป็นการไปบังคับเขาแล้วอนะต่อไปคอยประคองตัวรู้ น, ะนั้นก็ก็ไม่ถูกทางนะเราก็แค่รู้ บ, บ่อยนะจริงๆแล้วมันก็ การรวยบอยมันก็ทําให้จิตมันตื่นรู้ในตัวอยู่แล้วนะจิตตื่นรู้เนี่แหละมันก็เป็นผู้เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเห็นธาตุและขันะเขาทํางานเองเนาะเห็นกายเขาทางานเองเวลาเดินไปไหนมาไหนเราก็สังเกตว่าเออกายมันเดินนะกายมันทํางานของมันก็มันอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เราเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถสังเกตได้นะแต่ถ้าใครที่มันไม่เห็นในตรงนี้ก็สามารถช่วยเขาได้นะ เพราะว่าบางทีเขาว่าจะไม่เดินปนะัญญาเราก็สามารถช่วยก็สังเกตนิดนึ่งนะเลยช่วยก็สรุปนิดนึงก็ได้ไกายกายเขาเดินไม่ใช่เราเดินนะหรือทำนูน่ทนทํานี่แล้วก็เป็นผู้สังเกตเท่านั้นเองนะจริงๆมาสังเกตได้มันไม่ต้องใช้คำนึกหรือคำช่วยอะไรทั้งสิน้นะมันสังเกตเขาได้ไกายมันทำงานต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็สังเกตว่าเราไปแค่เป็นผู้ดูนะดูกายเขาทางานไป <c oughs> มีใจเป็นผู้ดูนะ ใจเป็นผู้ดูกายทำงาน <c oughs> เวลาใจนึกคิดก็มีเรามีใจเป็นผู้ดูความนึกคิดนะอันนี้มันก็แยกไปเป็นผู้ดูนะมีสิ่งที่ถูกดูมันก็แยกกันไปแล้วนะเห็นเห็นใจมันทำงานเห็นกายทำงานโดยตัวเขาเองนะมันก็จะแยกแยกรูปแยกนามไปในตัวนะตรงนี้ถ้ามันนะมันสามารถเดินปัญญาได้เราก็จะเป็นผู้ดูไปนะเห็นกายและใจทำงานเข้าไว้วัน <c oughs> วันห น, น, น, นึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรา ตรงนี้มันก็เป็นการเรื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็เดินปัญญาเห็นรูปเห็นนามที่มันแยกกันเนไม่ใช่อ่าสภาวะที่มันรวมเหมือนแบบสมัยก่อนเนี่ยมันมันการมาทำทั้งหมดก็คือให้กลับมาเห็นพระไตรลักษณ์เท่านั้นเองที่อ่ามีส่วนสําคัญ้ในการดําเนินชีวิตของเราะไปสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละถ้าเราเดินได้อถูกต้องเดินได้ถูกทาง อจิตของเราก็จะอะสามารถพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้นนะอ่าจิตของเรานี่มันมันจะมีความทุกข์อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะเรา <c oughs> ถ้าเราสังเกตได้ดีเนะี่ยจิตมันจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆนะบางทีมันก็เหงามันก็เครียดนะมันก็เศร้นานะมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนะอ่าบางทีบางคนก็อยู่ดีๆก็เศร้าขึ้นมาแต่เราก็ต้องดูเออมันมันเศร้าผมนะมันจริงๆก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองนะมันไม่ใช่ของเราเหรอก <c oughs> นะมันอารมณ์ต่างๆน ม, นมันแค่มาแล้วก็ไปเท่านั้นเองนะอย่าไปยึดอะไรกับอารมณ์เยอ ะ, อะเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะถ้าเราเราเข้าใจแล้วเราเร า, เราเป็นผู้ดูจริงๆเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วนะนะความเศร้าความเหงาความกลัวเราอารมณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นแค่ความปรุงแต่งในใจของเรานั่นนั้นเอง เมื่อก่อนก็เคยมีนักบวชผู้หญิงคนหนึ่งก็มาอยู่ที่วัดอแล้วก็ไปอยู่กุฎกุฎบางทีก็รู้สึกน่ากลัวนะกุฎก็คื อ, อน่ากลัวว่าบางทีมันห้องน้ํามันลงมาอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็มืดมืดนะบอกว่ามันมันน่ากลัวนะกลางคืนไม่กล้าลงมาเข้าห้องน้ำํำเพราะบนมันมืดน่ากลัวนะก็เลยมามาถามว่าจะทํายังไงดีก็เลยบอกว่านเนี่ยเดี๋ยวไว้กลางคืน คืนนี้นะลองเดินลงไปข้างล่างดูนะลงไปข้างล่างอแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยไหล่ไหลหอนแล้วก็พรุ่งนี้มารายงานว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาก็ลองทําตามดูก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เดินลงไปอไหล่หอนเหมือนกันลงไปสักพักแล้วก็ขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วก็มาดูว่ามันมันกลัวอะไร <laughs> ปรากว่าเขาก็เข้าใจเออความกลัวนี่มันเกิดจากความคิดของเขาเท่านั้นเองนะเป็นเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะนะเขาก็รู้แล้วว่าจริ ง, รงๆแล้วมันเกิดจากความคิดนะก็แปลว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วความกลัวเกิดจากความคิดเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมันก็เหมือนกับกลางวันนั่นแหละเพียงแต่มันมันมืดลงไปเท่านั้นเองนะแต่ความกลัวถ้าเป็นจริงๆมันก็เกิดจากใจของเขาที่ไปไปรุงไปแต่งนะเห็นความมืดแล้วก็ไปกลัวนะ พอหลังนั้นพอเขาเข้าใจแล้วก็ก็อยู่อยู่ตรงนั้นได้นะอยู่กุนนั้นได้ไม่ต้องไปย้ายไปไหนอีกแล้วอันนั้นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมาปรุงแต่งในใจเราเหมือนกับสมัยอาตมาโบดัหมัก็ตอนนั้นก็เคยอยู่วัดป่าที่ที่น่ากลัวเหมือนกั น, นเพราะว่าเป็นวัดที่กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็มีต้นไม้เก่ า, กาโบราณเยอะมากแล้วก็ห่างห่างันไกลนะไม่ ไม่มีกูดในใกล้ๆมองก็ไม่เห็นเลยแล้วก็ห่างกันมากแล้วก็ไฟฟ้าก็ไม่มีห้องน้ําก็อยู่ไกลมากกูดก็เป็นเล็กๆนิดเดียวมันก็น่ากลัวนะจากครานี้เคยอยู่ในที่มีแสงสีเสียงมีความเจริญแล้วก็มาอยู่แบบนั้นมันมันก็ว่าต่างกันเยอะเลยต่างกันมากไปอยู่แล้วมันก็แต่บดีสมัยก่อนมันเคยฝึกมาบ้างแล้วไปอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็สังเกตใจเป็นยังไงบ้าง กลัวไหมหรือว่าเหงาไหมหรืออะไรไหมพอพอกลัวปุ๊บมันก็รู้ทันนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่กลัวทีเดียวแต่มันก็ระวังตัวเพราะมันก็มาอยู่ในบรรยากาศแปลกๆว่ามันเป็นอย่างไรนะมันจะมีอะไรไหมพอดูนดูแล้วไม่มีอะไรมันก็ไม่กลัวนะเพราะว่าพอจะสังเกตได้ละเออมันกลัวเพราะเหตุอะไรนะะพอมันไม่มีอะไรแปลกๆเราก็ไม่ต้องระวังะแต่ที่ห้องน้ํามันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมากนะบางที ทองไม่ค่อยดีเนี่ยโอ้เดินไปห้องน้ํำนี่บางทีเดินไปไม่ไมทันนะถ่ายระหว่างทางก็มีอะไรเงี้ยว่ามันยุ่งยากมากนะนะตรงเนี้ยมันมันก็มันก็ลําบากในเรื่องห้องน้ําท่านั้นเองนะแต่พอลังนั้นมันพรับตัวได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยแก้ไขเหตุการณ์ไปนะแต่พอมีมีบางคนก็คล้ายๆกันอะคนอนะชาวเมืองมาไปอยู่บางที่น่ากลัวปุ๊บอยู่กันไม่ได้ก็มีร้องกลัวผีร้องกันออกมาอะไรเ ง, งี้ยอยู่กัปมนะจําะ ออันนี้เขาก็ไม่ไม่เคยชินนะไม่ได้เคยไปบัติธรรมมากอ่อนก็จะกลัวเจอสภาพแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นความกลัวนี่จึงเป็นสิ่งที่มันนะถ้าเรารู้ทันมันก็ไม่กลัวนะพอตอนหลังก็ไปเที่ยวทุดงก็เที่ยวดงนี่ก็จะไปเที่ยวคนเดียวตลอดเลยไม่เคยไปกับใครนะมีพาเจะขอไปด้วยสมัยก่อนอยู่วัดเดิร์นนะพารู้ว่าเราจะไปเที่ยวเกาจะตามไปก็ไม่ให้ไปนะไม่ไปแล้วกนะ็คือเขารู้ว่าเราไม่จับเงินเลยไม่ได้ทุบอะไรแล้วก็ด ตัวแรกเงินเลยก็ไม่เอาเขาอุตส่า์ยากให้ตัวแรกเงินมานละ้วนี่ให้มันต้องเยอะแล้วนะบอกเอาเอาติดตัวไปเถินเดนะเขาก็เป็นห่วงบอกไม่เอานะไม่เคยจับไม่เอานะอะไรเงี้ยก็ไม่เที่ยวตามแบบนั้นนะนะพอพอไปงั้นไปคนเดียวพวกมันจะเจอสภาพที่มันน่ากลัวหลายๆอย่างนะใหม่ๆก็คือระวังคนนะก็จะมายุ่งอะไรเราเปล่าต้องคอยดูนะไปพักไหนต้องไม่ให้เขาเห็นะนะนะนะ ถ้ามาเห็นเราจะมายุ่งอีกนะหรือบางทีไปแล้วคนแนะนํำไปพักวัด น, นู้นวัด น, นี้ก็ไม่ไปหลีกเลี่ยงวัดตลอดเลยตอนหลังก็เลยไปพักป่าช้าด้กว่านะเจอป่าช้าก็ลยพักป่าช้าดีแล้วะจะได้ไม่มีใครมายุ่งนะครา้ น, นี้พออยู่ป่าช้านี่มันก็ถ้าเราเคยฝึกหน้ามันก็ไม่กลัวก็สบายเราก็อยู่ได้นะจะมีเสียงไรมันก็มีเสีย ง, งกันนะ แต่อยาเป็นเสียงคนก็ใช้ได้เสียงคนมันน่ากลัวกว่าเสียงอย่างอื่นอีกนะเพราะมันจะมายุ่งกับเราะแต่ถ้าไม่ไม่เสียงคนนี้ก็สบายเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อก็ไม่มีอะไระอยู่ที่ว่าเราได้ยินแล้วเราไปปรุงแต่งต่อไ่มถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดอมันไม่ไม่เป็นเรื่องที่ว่าแปลกอะไรนะอถ้าเราไม่ให้ความไม่ให้ค่ากับสิ่งที่แปลกเราก็ไม่กลัวมันะเป็นเรื่องธรรมดามาก แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ไปอยู่อีกวัดหนึ่งก็อยู่นานพอสมควรนะอยู่หลายเดือนละครั้นี้ก็พอดีมีพระฆาดวดตายพระฆาตดูดตายก็ฆ่าที่กุฏินั่นแหละแขวนคอตายอยู่ที่หน้าต่างที่กุฏิแล้วก็าวพระก็ไปดูทั้งวัดเลยนะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะว่า เห็นพระก็บรรเล่าว่าเหมือนกับอคนที่ตายเนี่ยไปหาพระองค์นุตรงนี้กันนะแล้วก็กุฏิทางนั้นก็ย้ายหนีก็เป็นแถวอืมแล้วก็อ่าไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านเท่านั้นหรืออ่าคือมันเหมือนกับน่ากลัวนะแล้วก็พระก็เลยกลัวเป็นแถวนะอตอนนั้นมาก็เ้าตายประมาณสามสีวันก็เลยจะเป็นทดลองดูว่าเราจะกลัวไหม uh huh. ไม่ใช่ว่าอยากจะเก่งนะคือไปทดลองจิตใจเท่านั้นก็ไปพักที่กุตินั้นนะ uh huh. ไปภาคกุฏินั้นก็ก็ไปเดินจงกลมใกล้ๆที่เขาแขวนคอนั่นแหละมันจะเป็นอบนเรือนมันจะเป็นทางเลยจงกลมยาวๆเป็นไม้ออยู่บนบนเรือนเลยแล้วก็แขวนคอเถวๆหน้าต่างนั่นแหละตอนนั้นก็ดึกแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทก็ไปเดินจงกลมอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครเดินตามข้างหลังไม่ก็ได้ดังก๊อบก๊บกอบตาม้างหลังอก็หันกลับไปดูก็ไม่มีอะไรนะ แล้วก็่าเข้าไปอยู่ในห้องบางทีก็นั่งปบัติธรรมอยู่ก็ได้ยินเสียงเดินอยู่หน้าห้องกัับกับกักัเหมือนก็มีคนเดินก็เปิดประตูมาก็ไม่มีอะไรนะก็คือตรงนี้เราก็ไม่ให้จิไปปรุงแต่งนะก็ดูมันมีจริงหรือเปล่านะอ่าถ้ามันจีไปปรุงแต่งเดี๋ยวเราก็กลัวก็อยู่ไม่ได้เออมันมีหรือเปล่าแต่ดูบุ๊กไม่มีอะไรก็คือไม่มีเลยเนาะก็คือไม่ให้จิไปปรุงแต่งต่อ เข้าห้องน้าก็ต้องออกมานอกกุดก็ต้องเดินผ่านในตรงนั้นอยู่ดีนะก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็มาได้ก็อยู่แบบสบายๆไม่มีอะไรเนะเพื่อนก็นจะถามเออเป็นไงมาคืนเจออะไรไหมบอกไม่เจออ่เขารู้สึกผิดหวังนะนะเพราะว่าตรงนี้มันก็อาจจะมีอะไรทัางแต่เราไม่ไปปรุงแต่งต่อก็ไม่มีอะไรนะนะนะเพราะฉะนั้นสําคัญว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เราก็อย่าไปปรุงแต่งต่อเท่านั้นเองนะนะทางตาทางหูเนี่ยต้องรู้ทันนะ รู้ก็รู้เฉยๆไม่ไปปรุงแต่งต่อเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งต่อแล้วอยู่ไหนก็ทำเราได้ทั้งหมด ut. อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะมันต้องรู้ทันจิตของเราให้ไวนะถ้ามันไวแล้วสิ่งต่างๆมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าไม่ไวไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันอยู่ที่ไหนเขาก็ทำเราได้ทั้งหมดเข้าใจม ตรงนี้ถ้าเราสังเกตกายและใจได้นะันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากในการปฏิ บ, บัติธรรมเราก็เห็นสภาวะทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้า ต, ตานะกลับมาเห็นตรงนี้ให้ได้ให้ชัดเจนนะในความที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเพราะการปฏิบัติธรรมมันก็คือเข้ามาสู่นะสภาวะนี้คือการที่เราจิตเข้าเข้าใจในความที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะอยู่ที่ว่าเข้าเข้าใจระดับไหนนะ เข้าใจระดับต้นๆ น, นะมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเข้าใจได้หมดมันก็คือหมดทุกได้เหมือนกันนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เคยผ่านประสบตรงนี้มาแล้วแล้วท่านก็มีหนทางที่ว่าให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าสู่จุดนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะหาหนทางหรือเราปฏิบัติเข้าสู่จุดนั้นได้ไหมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความตั้งใจในการที่เราจะปฏิบัติทําในตรงนั้นแล้วก็ เข้าถึงด้วยความถูกต้องโดยการที่เห็นสภาวะไปตามความเป็นจริงไม่ไปไม่ไปเอาดีหรือว่าไม่ไปอยากได้จนเกินไปเพราะการที่เราอยากดีหรืออยากได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นตันหาส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปบังคับบัญชาให้เป็ น, ปนตามที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้ในตรงนั้นเราก็จะมีความทุกข์ว่าเราไปบัดไม่ได้แล้วนะแต่เราสามารถเห็นไปตามความเป็นจริงที่เขาจิตเขาแสดงออกตามความเป็นจริง เนสภาวะที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาก็จะเป็นอาการาต่างๆให้เราเห็นแล้วเราก็เป็นผู้ดูไปนะด้วยความเข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านั้นเราก็จะเห็นมไาตราลักได้ชัดเจนในการที่เราบังคับเข้าไม่ได้นะเขาก็จะนะแสดงความไม่เที่ยงและความทุกข์เราเห็นอย่างชัดเจนนะตรงนี้เราก็จะเข้าถึงหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนะตอนะนี้ท้ายสุดนี้ขอรัตนาบรารลีคุณพระนไตรน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติ สมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเลยว่าทุกท่านเธอ